ตั้งใจมาที่นี่เลยเรียกว่ามาทุระแถวนี้มาเลยเลยขับรถมาใช้เวลากี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงอขับตอนกลางวันเนี่ยเวลามาขับตอนกลางวันและตอนคืนกลางวันอืแล้วมาพักแถวนี้เลยพักที่กรุงเทพเขาไม่ชี ่ที่ห้องที่บ้านบ้านที่ตรงข้ามกับแม่ชีแ้ว่ะคะแม่ชีแจวอ๋อที่ไหนที่อ๋อเป็นญากับแม่ชีแจวเลยรู้จักรู้จักกันคนลำปางด้วยกันบ้านเนินน้ำใช่ไหมมีบ้านอยู่ตรงนั้นเด้อเรือว่าเขาให้เช่าเขาให้พักเขาให้พัก ก็ดีนะสงบไหมแม่มชีแจวเป็นยังไงบ้างปฏิบัติอยู่น ะ, ะถ้าเป็นแม่ชีเป็นนักบวชแล้วก็ต้องเก็บตัวไม่ออกไปเพ่นพานเพราะออการปฏิบัตินี้เพื่อต้องการดึงใจให้เข้าข้างใน ถ้ายังไปไหว้พระไปกราบพระไปนู่นมานี่อยู่ใจมันยังออกข้างนอกออกมาทางตาหูจมูกที่รงกายมันก็จะได้ประโยชน์น้อยกว่าการที่อยู่อยู่ที่อยู่กับที่แล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้ายังต้องไปน้มัสไปสังเวชนียสถานไปทําบุญที่นั่นที่นี่ใจยังต้อง ใจยังออกไปข้างนอกอยู่ใจจะสงบไม่ได้ได้บุญน้อยกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากต้องอยู่กับที่ขังตัวเองอยู่เป็นปีๆไปเลยอเอาให้กิเลสมันตายเลยที่ออกไปส่วนใหญ่ก็กิเลสเป็นตัวดึงไปทั้งโดยอ้างว่าไปทำบุญบ้างไปทำอะไรบ้าง เห็นไหมเวลาคนก็ไปทำบุญเขาต้องแวะเที่ยวด้วยซื้อของด้วยไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายของกิเลสทำบุญนิดหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวกันส่วนใหญ่แต่ถ้าจะปฏิบัติถ้าจะเอาชนะกิเลสแล้วก็ต้องไม่ไปทำบุญที่ไหนแล้วถ้าทำบุญอย่างนี้ก็ง่าย โอนเงินเข้าธนาคารเข้าบัญชีไปถ้าจะฟังธรรมก็เดี๋ยวนี้ฟังผ่านทางถ่ายถ่ายทอดสดก็มีทาง Youtube ก็มีทางหนังสือก็มีทางอินเทอร์เน็ตก็มีรมพระไตรปิฎกอยู่ในเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ต้องไปไหนมาไหนอยู่กับที่จะได้ประโยชน์กว่าความจริงฟังเทศธรรมนี้ก็ ฟังพอสควนก็พอฟังพอให้รู้ว่าต้องทำอะไรพอรู้แล้วก็ต้องทุ่มทุ่มเทไปที่การกระทาการกระทานี้ต้องเป็นการไปงานส่วนใหญ่การเรียนการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเป็นส่วนน้อยเหมือนกับถามทางเนี่ยการศึกษาการฟังเทศฟังธรรม เหมกับไปอุปการฟังถามทางว่าเราจะไปตรงนู้นไปยังไงถามคนคนที่รู้ทางพอถามเสร็จว่าไปทางนี้ไปถนนนั้นถนนนี้พอรู้ทางแล้วก็ต้องออกเดินทางไปการเดินทางมันยาวมันเป็นเป็นงานส่วนใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติงานส่วนย่อยอ ย, อยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมการศึกษา การศึกษานี่ก็เป็นเหมือนกับการมีแผนที่ศึกษาแผนที่ดูแผนที่ดูแผนที่ว่าทางที่เราไปไปอย่างไรพอเราเดินทางไปเราก็เปิดแผนที่ไปเรื่อยๆพอถึงทางแยกไม่แน่ใจก็เปิดดูว่าต้องไปทางไหนทางซ้ายทางขวาหรือตรงไปก็เปิดแผนที่ดูการศึกษาศึกษาไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยว <c oughs> ถึงจุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อก็ต้องมาศึกษาต่ออมาศึกษาว่ามาถึงจุดนี้แล้วรักษาศีลแล้วจะทำยังไงดีรักษาศีลห้าได้แล้วจะทําไงต่ออลักษาศีลห้าแล้วก็ต้องรักษาศีลแปดต่ออำ <c oughs> เริ่มต้นด้วยเอาวันหนึ่งก่อน รักษาศีลห้าทุกวันพอวันพระก็มารักษาศีลแปดดูวันพระหรือวันหยุดทำงานความจริงวันพระนี่เป็นวันหยุดทำงานสมัยก่อนเขาจะหยุดทำงานในวันพระวันนี้สมัยนี้ถ้าเราเอาวันพระตามปฏิทินมันอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานมันก็จะยุ่งยากวันทำงานเราต้องต้องทำอะไรจะมารักษาศีลแปดยาก บางทีก็ต้องเปลี่ยนวันพระใหม่เปลี่ยนให้ตรงกับวันหยุดของเราอันนี้ปฏิบัติไปอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องไปสอบถามไปศึกษาดูว่าอาจจะรักถือศีลแปดอย่างไงวันพระต้องไปทำงานพักกินข้าวเที่ยงเที่ยงวันแล้วถึงจะกินนี่ผิดศีลแปดหรือเปล่ากินหลังเที่ยงวันแล้วถ้าเราอยากจะรักษาให้มัน ได้ถูกต้องเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวันพระเป็นวันหยุดวันที่เราไม่ต้องทำงานวันนั้นเราก็จะรักษาศีลแปดได้ข้าวเที่ยง ก, ก็กินก่อนเที่ยงกินสักสิบเอ็ดโมงครึ่งอย่างเงี้ยพอเสร็จก็เที่ยงก็ไม่นองกินเพราะวันนั้นเราไม่ต้องไปทำงานถ้าทำงานเขาแม่เรากินข้าวตอนสิบเอดมงครึ่ง เขาให้เราพักเที่ยงก่อนแล้วก็กินอันนี้ยกตัวอย่างว่าต้องศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปถึงขีดหนึ่งแล้วเกิดความไม่เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อก็มาฟังต่อมาศึกษาต่อศึกษาทีละขั้นอย่าไปศึกษาทีจบทั้งทั้งหมดศึกษาจบแล้วเดี๋ยวก็ลืม พอมาทำก็ทำไม่ได้อยู่นีงั้นเอาทีละขันไ่อศึกษาทีละขัานไปก่อนแล้วก็นำไปปฏิบัติทีละขั้นนีสมัยนี้เราไม่ต้องไปวัดกันแล้วสมัยก่อนมันไม่มีสื่อสารอย่างที่เรามีกันหนังสือหนังหาก็ไม่มีชาวบ้านก็อ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้ไปโรงเรียนก็เราต้องไปวัดไปฟังเทศไปศึกษาจากพระ ให้พระสอนพระเทศให้ฟังพระกล่อวคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จดจำไว้หรือที่บันเทกไว้มาอ่านให้ฟังแต่สมัยนี้เราอ่านเองก็ได้ไม่ต้องอาศัยพระอ่านให้เราก็อ่านออกเขียนได้หนังสือธรรมะก็มีอยู่ทุกแห่งทุกคนอยู่ในมือถือเราต้องการพระไตรปิฎกทั้งทั้งชุดก็อยู่ในมือถือเรานี่ สามารถค้นหาอ่านได้คำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆก็หาอ่านได้ฉั้นเราแทบจะไม่ต้องไปไหนแล้วเก็บตัวได้เราสามารถปฏิบัติแล้วก็เรียนไปได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนเวลาสงสัยอะไรก็เปิดดูค้นหาได้ว่าสินแปมีอะไรบ้างสินสิบมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ ก็ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปหาพระถึงที่วัดไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็มีคนติดตามต้องวันละต้องห้าหกร้อยคนสี่ห้าร้อยคนเขามีคําถามเขาก็ส่งข้อความเข้ามาถามฟังไปแล้วไม่เข้าใจก็ส่งคําถามเข้ามาให้อธิบายเคยติดตามทางถ่ายทอดสดหรือเปล่าไม่เค ย, ย โยมเคยนะถ้าไม่บบถ่า ย, อายาทอดสดก็ดูย้อนหลังได้ถ่ายทอดสดก็ดีตรงที่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามเพิ่มเติม<ร> <Economic S 1> ตก็เขียนข้อความได้ส่งข้อความเข้ามาได้สมัยนี้ทันสมัยาสมยยามารถติดต่อกันได้เหมือนกับอยู่ตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมาออถึงตรงนี้ขอให้มีมือถือ ขอให้มีสัญญาณรับส่งได้ดงนนการไปนิพพานสมัยนี้ง่ายมากง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะแยะขอให้เรามีความตั้งใจทั้งเพียงอย่างเดียวตั้งใจจะไปแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติแค่นี้มันก็ได้แนละ้วอย่างนี้ทุกอย่างเอื้อต่อการจะไปพระนิพพาน จะถอยของหรือจะฟังไปเรื่อยๆก่อนนั่งฟังไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ใช่อ่าอ่านี่คือเรื่องของการมาวัดการมาวัดโดยหลักก็คือหนึ่งก็มาฟังเทศมาศึกษาอสองถ้าเป็นวัดปฏิบัติก็จะมีสถานที่ให้เราได้ปฏิบัติ ด, ด้วย วัดเป็นสถานที่สงบที่เหมาะกว่าบ้านบ้านจะค่อนข้างที่จะวุ่นวายมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้ามีเหตุการณ์มันก็จะมากระทบกับความสงบกับการทำความสงบเหตุการณ์ต่างๆมันจะทำให้ใจเราต้องคิดต้องตอบรับต้องอะไรต่างๆ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใจเราก็จะไม่ต้องทำอะไระนั้นถ้าจะปฏิบัติก็ต้องหาที่ที่สงบคำว่าวัดนี้ไม่ในหมายคำว่าวัดวาอารามที่เรารู้จักกันวัดจริงๆคือที่สงบวัดของพระพุทธเจ้าก็คือป่าสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญสมัยที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติในป่า ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีกุฏิไม่มีศาลามีแต่ต้นไม้ปฏิบัติใต้ภายใต้ร่มไม้อยู่ใต้โคนไม้อยู่ในป่ามันสงบเพราะไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีใครไปมาไม่มีเหตุการณ์ไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆแต่วัดของเราสมัยนี้มันมีแต่บุคคลพลุกพล่านเข้าไปในวัดนี่มีอะไรเยอะแยะไปหมด มีกิจกรรมร้อยแปดไม่สงบอย่างนั้นไม่เรียกว่าวัดอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นที่ที่มีการวีพะอยู่อาศัยก็ได้แต่ไม่เป็นวัดอาจจะเป็นวัดต้องเป็นที่สงบที่เอื้อต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติธรรม เป็วัดท่าที่ไหนเราอยู่เราสงบที่นั่นนะเป็นวัดถึงแม้จะอยู่ที่บ้านถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวข้องสมัยนี้ก็มีบ้านแบบอลอยฟ้าเห็นไหมคอนโดนี่อยู่ชั้นสูงๆเชา้าอยู่ห้องเดียวคนเดียวไม่เจอใครไม่เจอใครอันนั้นก็เหมือนกับอยู่วัดละอยู่คนเดียวหรือไปอย่างบ้านป้าแจ้วนี่นะป้าแจวก็ไปซื้อบ้านอยู่ ในหมู่บ้านจัดสรรแล้ก็อยู่คนเดียวไปอันนั้นเป็นวัดละแล้วถ้ามีการปฏิบัติเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นมาการปฏิบัติก็คอยดึงใจไว้ไม่ให้ใจออกไปข้างนอกใจมันชอบออกกิเลสมันชอบออก กิเลสมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอะไรต่างๆต้องคอยดึงมันไว้เพราะถ้าไม่ดึงมันมันจะออกไปแล้วมันจะไปวุ่นวายไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินแล้วเดี๋ยวก็ไปเสีย อ, อกเสียใจพรเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียสิ่งที่หามาได้ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้อง จากกันพอเวลาจากกันก็เสียอ ก, กเสียใจเวลาเจอกันก็ดีใจเดี๋ยวพอต้องจากกันก็เสียใจ ใ, ใจก็จะวุ่นวายไป ก, กับการดีใจเสียใจเป็นความสุขปลอมเวลาดีใจก็สุขพอเดี๋ยวเสียใจสุขก็าหายไปความทุกข์ใจก็กลับเข้ามาแทนที่ แต่ถ้าเราอยู่ข้างในได้ดึงใจให้อยู่ข้างในใจนิ่งสงบใจจะสุขสุขแบบไม่ไม่มีความเสียใจสุขแบบนี้เราสามารถรักษาไว้ให้อยู่กับเราได้ต้องการเมื่อไหร่ก็สามารถมีได้แต่ถ้าสุขแบบภายนอกไม่แน่นอนบางทีอยากจะได้ก็ไม่ได้อยากจะพบกับคนนั้นก็ไม่ได้พบ อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้อยากจะดูก็ไม่ได้ดูอยากจะฟังก็ไม่ได้ฟังพอไม่ได้ฟังไม่ได้ดูไม่ได้ทำตามใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาเน้นพยายามดึงใจไว้อย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะมันจะทำให้เราต้องทุกข์เพราะสิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไป ไม่ช้าก็เลยก็ต้องเสียเพราะว่าทุกอย่างไม่แน่นอนทุกอย่างไม่มไม่ถาวรทุกอย่างมีเกิดมีดับร่างกายเราก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวร่างกายเราหมดเราก็ไม่สามารถดูอะไรได้ถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาที่จะไปดูอะไรต่างๆได้ เราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีมีความสงบรู้จักทำใจให้สงบนรองมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นความสุขที่แท้จริง จิตจะสงบได้ก็ต้องฝืนความอยากอยากไปทำตามความอยากความอยากจะทำให้จิตไม่สงบจะทำให้จิตวุ่นวายเั้น ม, ม, มาฝึกทำจิตให้สงบกันดีกว่าพยายามดึงจิตไว้ดึงจิตด้วยสติสติเท่านั้นเป็นตัวที่จะดึงจิตไว้ที่จะหยุดจิตได้ไม่มีตัวไหนหจะหยุดได้ ต้องใช้สติหยุดมันสติเวลาเวลาจิตคิดก็ใช้สติหยุดมันอย่าให้มันคิดถ้ายังไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ให้จิตรู้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่เรื่องเดียวถ้าจะคิดก็คิดคำบริกรมพุทโธพุทโธให้คิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธไป แล้วเจ็ดจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าอยากจะคิดก็ให้คิดในเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจความหมายเช่นคิดอยู่กับบทสวดมนต์เราสวดไปไม่เข้าใจความหมายสวดไปมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตสุปัตติปันโนไปสวดไปมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ คิดถึงเรื่องลูกเสียงกลิ่นแล้วคิดถึงคนนั่นคนนี้ไม่ได้พอไม่ได้คิดความอยากที่จะไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ใจก็จะอยู่ข้างในได้พอไม่คิดความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็อยู่กับที่ได้นั่งนั่งสมาธิได้ทําใจให้นิ่งได้ทําใจให้สงบได้แต่ถ้าใจคิดแล้วเดี๋ยวมันเกิดความอยากขึ้นมา อยากไปโน่นอยากมานี่นั่งไม่ได้นะนั่งแล้วมันอึดอัดลำคาญต้องไปทำโน่นทำนี่แต่เราต้องพยายามดึงใจหยุดใจหยุดความคิดให้ได้ด้วยการมีสติไม่มีสติก็ต้องฝึกสติสร้างสติสร้างสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ โดยการเฝ้าดูล่างกายของเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้จิตดอยดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เช่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอยู่ตั้งแต่การตักอาหารจากจานเข้ามาใส่ปาก เคี้ยวกลืนแล้วก็ตักอาหารใหม่เข้าปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนใหม่ให้เฝ้ามันดูอยู่อย่างนี้อย่างเดียวอย่าไปอยู่กับเรื่องอื่นอย่างนี้เราก็ต่อไปเราจะมีสติหยุดความคิดได้ดึงจิตให้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่อยู่เรื่อยๆเรากําลังเดินให้ก็อยู่กับการเดินดูที่การก้าวเท้าก็ได้ก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวา ไม่ว่าก็ได้ดูเฉยๆก็ได้ดูกําลังกําลังเดินกำลังก้าวเท้าก้าวเท้าไปก้าวเท้าไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้พอเรามีกําลังหยุดความคิดได้เวลาเรานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ขณะมีสตินี้ยังจิตยังไม่สงบจิตยังคิดยังยับยับแวบไปนู่นววบมานี่ได้ จิตยังทํางานอยู่จิตยังต้องควบคุมการกระทําต่างๆของร่างกายอยู่ถ้าต้องการให้จิตนิ่งเต็มที่ร่างกายต้องนิ่งก่อนต้องจับร่างกายมานั่งเฉยๆแล้วก็อย่างตอนนี้เรานั่งเฉยๆแล้วถ้าเราอยากจะทําจิตให้นิ่งเราก็ดูลมหายใจไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดูเป็นเวลาฟังก็ฟังไปแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจไป ไม่ควรทําสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมมันจะขัดกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะฟังธรรมก็ตั้งใจฟังถ้าจะนั่งสมาธิก็ปิดอย่าไปฟังธรรมปิดหูไปอย่าไปอยู่ที่เขามีการแสดงธรรมไปนั่งที่ไหนเงียบๆคนเดียวแล้วก็ตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกให้ดูเฉยๆ ให้เหมือนกับตอนที่เราดูร่างกายเวลาร่างกายเดินเวลาร่างกายรับประทานเราก็ดูเฉยๆเวลาเราดูลมหายใจเราก็ดูเฉยๆรู้ว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบให้รู้แค่นั้นอยู่รู้ตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม ไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกๆยาวๆ อ, อย่างนี้ไม่ต้องดูเฉยๆไม่ต้องการให้จิตทำงานให้ให้จิตดูเฉยๆให้จิตรู้เฉย ๆ, ๆแล้วจิตจะนิ่งจะสงบพอนิ่งแล้วจะมีความสุขจิตจะเป็นกลางจิตจะไม่มีความรักความชังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงไม่มีความอยาก ไม่มีความโลภไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรจิตอิ่มสบายมีความสุขนนันแหละถ้าเราถึงจุดนั้นเราปลอดภัยแล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรทำอะไรกับร่างกายไม่ได้ไม่เป็นไรทำใจให้สงบแล้วก็มีความสุขได้ถ้าได้พบความสุขทางใจแล้วจะไม่อยากไปหาความสุขทางร่างกาย เาความสุขทางร่างกายมันยุ่งยากมากเรื่องอาจจะไปเที่ยวกันสักทีต้องเตรียมตัวกันเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมอะไรกันเยอะแยะทั้งหมดเตรียมโรงแรมเตรียมอะไรไปเที่ยวไปไม่กี่วันกลับมาก็จบแล้วผ่านไปแล้วเหน็ดเหนื่อยหมดเงินหมดทองต้องไปหาเงินทองใหม่เพื่อจะเตรียมตัวไปเที่ยวใหม่ แต่ถ้านั่งสมาธิได้สบายอยู่บ้านนั่งหลับตาห้านาทีก็ได้ไปเที่ยวดีกว่าได้ไปเที่ยวได้ความสุขที่ดีกว่าการได้ไปเที่ยวแลวนี่หละประโยชน์ของการฝึกสติประโยชน์ของการนั่งสมาธิทาใจให้สงบพยายามทำบ่อยๆหัดทำมากๆเพราะมันต้องทำอยู่เรื่อ ย, อยถึงจะได้ผลถ้าทำแบบหอมปากหอมคอมันไม่พอ วันละครึ่งชั่วโมงเช้าเย็นอย่างนี้ไม่พอแะอันนั้นเป็นเพียงแต่เป็นการชิมนั้นเองชิมอาหารไม่ได้ไม่ได้กินอาหารชิมแค่นิดหนึ่งพอให้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าอยากจะให้มันอิ่มนี่จะต้องจะต้องกินวิธีจะกินก็ต้องปฏิบัติวันหยุดนี่ต้องปฏิบัติทั้งวันไยถือศีลแปดแล้วก็ มาฝึกสติมานั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจิตก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขพอมีความสุขแล้วจะมีความยินดีกับการกระทากับการปฏิบัติจะไม่ยินดีกับการไปเที่ยวไม่ยินดีกับการไปดูหนังฟังเพลงไม่ยินดีไปกับการไปหาเพื่อนฝูง ไม่ยินดีไปกับกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปไปดูหนังฟังเพลงกลับมาก็หมดไปสู้ความสุขที่เราทำจากความสงบไม่ได้เราสามารถทำได้อยู่เรื่อยๆผลิตขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆ พอเรานั่งสมาธิมันก็มาแล้วนั่งสมาธิาาธถ้ามีสติกำลังดีๆห้านาทีมันก็สงบแล้วมีความสุขแอ้วไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องไปทำงานให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อละไม่ต้องไปวุ่นวายไปเครียดกับการทำงานของเราเราก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงกลับไปหาความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวาย เพราะสิ่งที่เราหามันก็ไม่แน่นอนเครื่องมือที่เราใช้หาก็ไม่แน่นอนร่างกายเราก็ไม่แน่นอนวันดีคืนดีมันก็เสียขึ้นมาก็ได้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำอะไรไม่ได้และบางทีมันเป็นแล้วมันรักษาไม่หายเมื่อวานนี้มีคนเป็นอมัอมพาตกรรมภาพมาคนต้องนั่งรถเข็นนี่ ไปไหนมาไหนก็ลําบากแล้วอพอเป็นอามาพึ่งก็มาพานขึ้นมาเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นนี่คือร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเดี๋ยววันหนึ่งมันจะจะทํามันจะเป็นเครื่องมือหาไม่ได้มันจะเสียมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะพิกลพิการขึ้นมา เราจะเดือดร้อนเพราะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ถ้าหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้สบายร่างกายจะเอามาพึกเอามาพาดแขนจะขาดขาจะขาดตาจะหนวกหูจะบอดไม่เป็นปัญหาเลยความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินั่งสมาธินี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายงั้นอย่าไปเสียเวลากับการไปหาความสุขต่างๆเลย ถัดมาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบดีกว่าถ้ามีเงินอยากจะใช้ให้ซื้อความสุขก็เอาไปทาบุญวิธีซื้อความสุขจากการใช้เงินวิที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเอาไปทำบุญถ้าเอาไปเที่ยวเดี๋ยวก็หมดความสุขที่ได้ก็หมดเพราะเที่ยวเสร็จมันก็หมดแล้วทาให้มันเป็นปัญหาตามมาเพราะมันเที่ยวแล้วมันจะติด แล้วพอไม่มีเงินเที่ยวมันจะทุกข์แต่ถ้าทำบุญนี้มันไม่ติดถ้าไม่มีเงินทำบุญมันไม่ทุกข์ต่างกันแล้วความอิ่มใจก็ไม่ไม่เกิดจากการไปเที่ยวการทำบุญนี้จะมีความอิ่มใจติดอยู่กับใจทำให้ไม่เดือดร้อนทำให้ไม่ไม่ต้องไปเที่ยวก็มีความสุขได้อยู่บ้านก็มีความสุขได้ อย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปชื้อซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซือ้อเอาไปทำบุญทำทานดีกว่าเราจะมีความสุขใจมากกว่าได้ความสุขแท้ความสุขที่ทำให้เราอิ่มทำให้เราพอแต่ความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยจากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นความสุขที่ทำให้เราเหิว ทำให้เราอยากทำแล้วจะหิวอยากจะทำอยู่เรื่อยๆไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากไปเที่ยวใหม่ไปซื้อของมาแล้วเดี๋ยวก็อยากไปซื้อใหม่เห็นกระเป๋าใบนี้สวยก็ซื้อมาเดี๋ยวอีกสองวันไปเห็นใบใหม่ก็อยากจะซื้ออีกเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเห็นข้าวของอะไรต่างๆมันจะมีแต่ทําให้เราหิวความว่าหิวก็คืออยาก อยากได้ไม่ใครบอกว่าพอเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถทําให้ใจเราพอได้สิ่งที่จะทําให้ใจเราพอคือทําบุญพอทําบุญแล้วเราจะพอเราจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากเที่ยวไม่อยากจะซื้อของเพิ่มเฟือยบุญนี่แหละการทําบุญทําทานนี่ยเป็นการให้อาหารกับใจส่วนการไปเที่ยวไป ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสษ ย, ยาเสพติดแล้วอิ่มไหมไม่อิ่มนะมันสุกแต่มันสุกเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็อยากสุกอีกแล้วร่างกายก็จะไม่ได้กินอาหารคนติดยาเสพติดนี้จะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องอาหารมีเงินก็เลือกซื้อยาเสพติดมาเสพ ด, ดีกว่าเรื่องอาหารไม่สนใจอาหารไม่ให้ความสุขเหมือนกับยาเสพติดน ร่างกายก็จะผู้สู้ผอมใจก็เหมือนกันถ้าใจไปใช้เงินไปกับการเที่ยวกับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใจจะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาจะอยากอยู่เรื่อยๆจะไม่รู้จักคำว่าอิ่มว่าพอเป็นยังไงแต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญทำทานนี้จะทำให้ใจรู้สึกอิ่มเอิบขึ้นมาสุขใจอิ่มใจ อยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านก็ไม่เดือดร้อนไม่มีคิดว่าอยากจะไปเที่ยวนั่นที่นี่ไม่มีความคิดอยากจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เพราะมันมีอยู่แล้วของพวกนี้มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้าจะซื้ออะไรก็ซื้อด้วยความจำเป็นขาดแคลนไม่ไม่พอใช้ก็ต้องซื้อแต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากซื้อ นี่คือวิธีที่เราจะาทำใจของเราให้มีความสุข เ, เราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขถ้าจะใช้เงินหาความสุขก็เอาไปทำบุญทาทานถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำบุญทาทานไปหาที่สงบไปนั่งทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็สบายมีความสุข ถ้าไม่มีความสงบต่อให้ทําอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีไม่มีความสุขสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วก็หายไปไปเที่ยวก็สุขพอกลับมาบ้านก็หายไปไปซื้อของกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการซื้อของก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากจะซื้อของใหม่แล้วพอไม่ได้ซื้อก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ถูกต้องไปหาความสุขที่ผิดความสุขที่ทำให้เราทุกข์ความสุขที่ไม่มีความอิ่มความพอความสุขที่มีแต่ความหิวต้องหาความสุขที่ทำให้เรามีความอิ่มความพอก็มีสองวิธีเนี่ยทำบุญทำทานนงแล้วก็ไปฝึกสมาธิ ก่อนอฝึกสมาธิก็ต้องรักษาศีลได้ก่อนต้องต้องหยุดกิจกรรมต่างๆที่เป็นโทษที่จะเอาเวลาของการปฏิบัติไปถ้าไปทำบาปเดี๋ยวก็จะต้องไปชดใช้ผลบาปไปอาจจะต้องไปจับติดคุกติดตารางก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าถือศีลแปด ก, ก็หยุดกิจกรรมที่ เป็นการหาความสุขแบบชั่ว haunted, คราวกิจกรรมเช่นร่รวมหลับนอนกันเช่นกินอาหารเย็นเช่นไปเที่ยวไปดูมหโหระทบมันเทิงต่างๆหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามมันจะใช้เวลากิจกรรมเหล่านี้จะใช้เวลาจะเอาเวลาของการไปปฏิบัติธรรมไปจะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิจะไม่มีเวลาไปเจริญสติได้ ถ้าอยากจะเจริญสติก็ต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้จะได้มีเวลาเช่ถ้าถือศีลแปดได้หลังจากเที่ยงวันเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเราก็จะว่างไปถึงเวลานอนเลยเราก็สามารถปฏิบัติเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะเราไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำ ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวตอนเย็นก็อยากจะไปกินอาหารเย็นกินอาหารเย็นเสร็จก็อยากจะดูหนังฟังเพลงต่อดูหนังฟังเพลงเสร็จถ้ามีแฟนก็อยากจะนอนกับแฟนต่ อ, อก็เลยไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาทำกิจกรรมเพื่อทำใจให้สงบนี่เราจึงต้องมาฝึกถือศีลแปดกันสักวันหนึ่งหยุดกิจกรรมต่างๆที่เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอแล้วจะกลายเป็นความทุกข์เวลาไม่สามารถจะทําได้ต่อไปเพราะต่อไปแฟนอาจจะจากเราไปไม่มีเงินทองไปเที่ยวหรือร่างกายเราไม่สบายมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากกิจกรรมต่างๆได้ดังนั้นเราต้องหาเวลามาทํากิจกรรมที่เราจะไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือ นอกจากสติตัวเดียวนั่นเองสติเราสถานที่ที่สงบที่ไม่ไม่พลกพล่านไม่วุ่นวายไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆพยายามดึงใจให้เข้าข้างในหยุดการดึงก็ดึงให้มันหยุดคิดเวลาคิดมันจะคิดออกข้างนอกเวลาคิดมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้รูปสิ่ ง, งนั้นสิ่ ง, งนี้แสดงว่งงามันออกข้างนอกเราก็ต้องหยุดคิดพอหยุดคิดมันก็จะเหมือนกับมันเข้าข้างใน ดันต้องหยุดความคิดด้วยการเจริญสติฝึกสติอยู่เรื่อยๆวิธีฝึกสติก็ถ้าไม่รู้จะทช่วิธีไหนก็พุทโธนี่ง่ายที่สุดพอตื่นขึ้นมาลืมตามจะคิดอะไรก็พุทโธไปเลยหยุดแข็งกับมันไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปจะ่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไป รับประทานอาหารกับพุโทโธไปแล้วถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรต้องทำก็นั่งไปนั่งหลับตานั่งให้มากๆนั่งบ่อยๆจิตจะได้สงบสงบแล้วจะมีความสุขแล้วต่อไปเราจะนั่งได้เรื่อยๆแล้วเราจะไม่ต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ต้องไปทำงานทำการเพราะเราไม่ต้องใช้เงินที่เราต้องไปทำงานกันเพราะเราต้องใช้เงิน ใช้เงินไปซื้อความสุขกันแต่พอเรามีสติเป็นวิธีหาความสุขต่อไปเราก็ไม่ต้องทํางานก็ได้ทำก็ทําน้อยทําเพียงทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องท่านนเองมีค่าอาหารวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วถ้าเป็นนักปฏิบัตินี้ไม่ต้องกินมากค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยนี่เหลือกินถ้ากินมื้อเดียวก็ร้อยเดียวก็เหลือเฟือและ ถ้ากินแบบประหยัดอาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้นะไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินเอาเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบสบายไม่ทำกันบางทีมีเวลาแทนที่จะมีเอามาทําประโยชน์กับเอามาเอามาทําโทษกับเราพอมีเวลาว่างก็งุดยิดลำคาญใจเซงเบื่อหน่ายไม่รู้จะทำอะไร แทนที่จะดีใจอ้วันนี้มีเวลาว่างมีเวลาที่นั่งสมาธิกับคิดไม่เป็นกับคิดวอาไม่รู้จะไปไหนไปไหนก็ไม่มีเงินไปไม่มีเพื่อนอยู่บ้านเฉยๆก็เบื่อเนี่ยอันนี้คิดไม่เป็นหัดนั่งสมาธิเสร็จแล้วจะดีใจเวลาที่ไม่มีอะไรให้ทําเวลาว่างจะจะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบกันเ เราต้องพยายามฝึกสติกันบ่อยๆทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแข่งกับความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดคิดแล้วเดี๋ยวความอยากมันจะตามมาถ้าไม่มีความคิดความอยากัะไม่มีใจก็จะเย็นจะสบายถึงแม้จะไม่นิ่งใจก็ว่างเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันจะร้อนเห็นหมเวลาคนขับรถเนี่ย ใจร้อนไนหะอยากจะไปถึงที่เร็วๆเรวเดี๋ยวก็ไปชนกันไปท้าล้อกันบนท้องถนนอราทุกคนรีบร้อนกันรถเนี่ยมันเป็นตัวเสริมความความร้อนของใจพอมีรถแล้วมันไปเร็วได้อยากจะไปเร็วขนาดไหนมันก็เหยียบได้ยิ่งอยากไปเร็วยิ่งอยากไปถึงแล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วใหญ่ แล้วเดี๋ยวก็ไปเจออุบัติเหตุ <Yes. S 1> แทนจะไปถึงที่เราต้องไปกลับไปถึงที่เราไม่ต้องไม่อยากจะไปไปถึงโรงพยาบาลนี mm hmm. ไล่ไม่กะไม่กะจะไม่ไปโรงพยาบาลแต่เอทำไมขับไปแล้วมันกลับไปถึงโรงพยาบาลได้ mm hmm. เพราะความรีบร้อนความอยาก mm hmm. แต่ถ้าไม่อยากไปไหนก็ขับรถไปเรื่อยๆสบายๆ mm hmm. ถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้ mm hmm. ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธไปขับรถจะใจเย็นอาจพุโทโธพุธโทโธบ้างเวลาใจร้อนแต่อย่าลืมดูถนนก็แล้วกันเวลาขับรถก็ต้องดูการขับรถด้วยอย่าไปขับรถไปแล้วก็มัวแต่มาดูที่พุโทโธพุธโทโธเดี๋ยวรถชนกันได้ให้พุโทโธหยุดความอยากความร้อนใจเท่านั้นเองแต่ยังต้องคอยดูรถอยู่ เราอยากจะรีบร้อนอยากให้ถึงเร็วๆเราก็ใจเย็นๆพุทโธพุทโธไป <c oughs> พุทโธนี่มีคุณค่ามากถ้าเราไม่ใช้เราจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรแต่พอเราใช้เป็นแล้วเราจะเห็นมีคุณค่ามากเวลาโกรธเวลาเสียใจพุทโธไปไม่กี่คำหายเงี้ยหายหมดความโกรธหายไปความเสียใจหายไปความโลภหายไป เวลามีอารมณ์ไม่ดีพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็หายไป <Yeah. S 1> พยายามฝึกพุโทโธให้ได้น <Yeah. S 1> ของ่ายๆแต่มีคุณค่ามาหาศาลมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะเงินทองกองเท่าภูเขามาดับอารมณ์ไม่ได้ <Yeah. S 1> เวลาโกรธนี่บางทีโกรธเป็นวันไปเลยเวลาเสียใจเสียใจเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็มี yeah. พาไม่มีอะไรมายับยัง้งไม่มีพุทธโธไม่มีสติสติเท่านั้นน่ะที่จะยับยั้งได้นอกจากสติก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือปัญญาแต่ปัญญานี่ยากกว่าสติหัดสติก่อนสติมันง่ายกว่าพุทธโธพุทธโธไปก่อนถ้ายังไม่มีสติก็ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะการจะใช้ปัญญาต้องมีสติควบคุมใจให้คิดไปในทางของปัญญา ถ้าไม่มีสติจะใจจะไม่คิดไปทางปัญญาใจจะคิดไปทางกิเลสจะคิดไปทางความโลภความโกรธถ้าคิดไปทางความโลภความโกรธหยุดความโลภไม่ได้หยุดความโกรธไม่ได้เห็นถ้ายังไม่มีสติอย่าพึ่งไปทางปัญญาฝึกสติหยุดความโลภความโอกรธให้ได้ก่อนด้วยสติแล้วก็มาหัดคิดทางปัญญาเพราะกะ การคิดด้วยปัญญานี้จะทําให้เรากําจัดความโลภความโกรธได้อย่างถาวรแต่เราไม่สามารถกําจัดความโลภความโกรธความอยากด้วยสติได้อย่างถาวรหยุดได้เป็นเหมือนเบรกรถเบรกรถรถถ้าเป็นเกียร์ออโต้พอเราเหยียบเบรคมันก็หยุดพอเราปล่อยเกียร์พอเราปล่อยเบรคมันก็วิ่งต่อได้การที่จะทําให้รถนี้หยุดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เบรกก็คือต้องดับเครื่องเท่านั้นะ ปัญญาเหมือนเป็นวิธีดับเครื่องดับกิเลสแต่สติเป็นเหมือนเบรกเหยียบเหยียบไว้พอปล่อยเบรกกิเลสมันก็วิ่งต่อถ้าอยากให้กิเลสไม่วิ่งก็ต้องดับเครื่องดับด้วยปัญญาปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าการไปทําตามกิเลสนี้เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจจะนําความทุกข์จะนําความเสียใจมาให้กับจิตใจ เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงสิ่งที่เราโลภอยากได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเวลามันจากเราไปก็จะเสียใจ<ม>ถ้าไม่มีก็จะไม่มีวันเสียใจเพราะไม่มีอะไรจะจากเราถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่เรามีไม่ช้า ก, ก็เร็วก็จะต้องจากเราไปอันนี้คือปัญญา ถ้ามีปัญญาทุกครั้งที่โลภที่อยากมันก็จะเห็นโทษเห็นภัยก็จะไม่อยากก็จะหยุดความอยากฝืนความอยากได้พอเห็นโทษเห็นภัยว่าความอยากเป็นภัยต่อไปความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดมาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบสนองความอยากความอยากไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาพอไม่มีความโลภความอยากก็สบายอยู่เฉย สบายใจจะอิ่มใจจะสบายตลอดเวลาไอ้ตัวที่ทำให้ใจหิวก็คือความอยากความโลภนี้เองพอไม่มีความโลภความอยากมันก็ไม่หิวเมื่อไม่หิวมันก็อิ่มอันนี้แหละคือปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้นี่ต้องหัดใช้สติให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสติจะดึงใจให้มาคิดทางปัญญาไม่ได้ ใจมันจะคิดทางกิเลสเห็นอะไรก็บอกดีอยากได้ ท, ทันทีเห็นอะไรก็ว่าสวยอยากได้แ้่ไม่เห็นว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่สวยเดี๋ยวมันจะเก่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันจะหมดไปทุกอย่างมันใหม่แต่เดี๋ยวมันจะต้องเก่าเมื่อการเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหม่มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆมันจะค่อ ย, อยๆเสียไปหมดไปทีละเล็กทีละน้อย พอมันใช้การไม่ได้ก็จะเสียใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาต้องเห็นความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าดีดีตอนต้นดีตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวไม่นาะนมันก็จะเสื่อมมันก็จะหมดไปเวลามันเสื่อมมันหมดไปก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้เจ้าโศกเสียใจถ้ารู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่า ไม่เอามันดีกว่าอยู่กับความสงบดีกวา่ากลับมาพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบดีกว่าเพราะเราสามารถทำได้ทุกครั้งความสุขที่ได้จากพุโทโธนี่เสื่อมไปเราก็ดึงกลับมาใหม่ได้แต่ของอย่างอื่นเสื่อมแล้วดึงกลับมาไม่ได้ของเสียแล้วเอาไปซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ของพังแล้วเอาไปเอามากลับมาใช้ใหม่ก็ใช้ไม่ได้แต่ของที่ได้จากพุโทโธ นี่พอมันเสื่อมเราก็ดึงกลับมาใหม่ได้ใช้พุโทโธใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นี่คือเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่กับที่ถ้าเราอยากจะสร้างความสงบถ้าเราปฏิบัติแล้ราอย่าออกไปอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแม้การทำบุญก็แขวนไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องทาก็ได้ถ้าเราได้ทาความสงบแล้วมัน มันแทนกันได้มันดีกว่าการไปทำบุญการทำบุญนี้ถ้าเปรียบเทียบก็ได้ความสงบในระดับสิบบาทถ้านั่งสมาธิก็ได้ความสงบในระดับพันบาทเห็นไพอเรานั่งสมาธิได้เราไม่ต้องไปทำบุญก็ได้แต่ถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้เราต้องไปทำบุญก่อนเพราะถ้าไม่เะนนั้นเราจะไม่ได้ความสงบเลย ถ้าไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ความสงบในระดับพันบาทก็เอาระดับร ะ, ระดับสิบบาทก่อนก็ยังดีเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเะฉั้นบางท่านอาจจะคิดว่าไม่ต้องทาบุญก็ได้นั่งสมาธิอาจจะคิดแบบกิเลสก็คือตนีเสียดายเงินไม่อยากเสียเงินทำบุญเอามานั่งสมาธิแต่นั่งนั่งไม่สงบก็ไม่ได้ผลอยู่ดีไม่มีความสุขอยู่ดี ถ้านั่งสมาธิยังไม่สงบ ก, ก็ต้องอาศัยการทำบุญไปก่อน <Yeah. S 1> เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจเอาความสุขที่เกิดจากการทำบุญมาหล่อเลี้ยงจิตใจ <Yeah. S 1> ระวังกิเลสมันจะหลอกว่าอย่าทำบุญเลยไปนั่งสมาธิดีกว่าแล้วพอเผลอปั๊บกิเลสบอกไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินไปเที่ยว <Yeah. S 1> หรือเอาเงินไปซื้อของที่อยากจะซื้ อ, <Yeah. S 1> อนนี่คือพวกที่คิดว่านั่งสมาธิได้บุญมากกว่าการทาบุญ แต่ไม่รู้แบบว่ามันไม่ใช่ของง่ายการนั่งสมาธิที่จะทำให้จิตสงบมีความสุขได้มันยากนะแล้วพอไม่เอาเงินไปทำบุญพอเผลอสติปักกิเลสหลอกให้ไปซื้อกระเป๋าอใบใหม่นะซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะพอซื้อของพวกนี้จ่ายได้รวดเร็วพอบอกให้ไปทำบุญนี่ก่อจะคว้าของมาได้นี่เหนื่อยไม่รู้มันติดกาวไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ นี่คือกิเลสมันคอยหลอกล่อเราให้ระวังพวกที่คิดว่าไม่ต้องทำบุญก็ได้นั่งสมาธิได้บุญเยอะกว่าแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันอันนี้กลายเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรเป็นถูกวิเลสหลอกโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่สงบนั่งได้แต่ไม่สงบใครๆก็นั่งได้แต่นั่งแล้วก็อึดอัดอึดอัดอยู่งั้น ยี่ไม่ไดว่านั่งสมาธินั่งยังแบบยังไม่ได้ผลถ้าได้ผลจิตต้องสงบนิ่งมีความสุขอย่างยิ่งสุขมากกว่าการไปซื้อกระเป๋าสุขมากกว่าการไปเที่ยวอย่เงี้ยถึงจะเรียกว่านั่งสมาธิได้ผลนี่ก็เรื่องของการหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราควรที่จะมาหัดทำกันเพราะเป็นความสุขที่เราสามารถพึ่งได้ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับความสุขที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้ต่อไปเราจะหาไม่ได้กันถ้าเงินขาดมือก็หาไม่ได้ถ้าร่างกายไม่สบายก็หาไม่ได้ถ้าร่างกายแก่ก็หาไม่ได้ร่างกายพิกลพิการก็หาไม่ได้ร่างกายตายก็หาไม่ได้แต่ถ้าเรามีการหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยสติเราสามารถหาได้ตลอดเวลา ร่างกายแก่ก็หาได้เงินทองไม่มีก็หาได้ร่างกายพิกลพิการก็หาได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาได้ร่างกายตายก็หาได้เพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติกับใช้ปัญญาใช้สติก่อนแล้วค่อยมาหัดใช้ปัญญาถ้าถ้าใช้ปัญญาได้ก็จะได้ความสุขแบบถาวร ถ้าใช้สติก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวไปก่อนอเวลามีสติทำใจให้สงบก็มีความสุขพอปล่อยไม่มีสติคุมใจเดี๋ยวใจก็คิดนู่นคิดนี่ก็เกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็จะหายไปแต่ถ้าใช้สติใหม่ก็มันก็จะสงบใหม่มันก็ต้องทำอย่างนี้กลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีปัญญาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆได้ มันก็จะทําให้ความอยากหายไปพอความอยากหายไปใจก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลานี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ท่านมีสติมีปัญญาท่านสามารถทําใจให้สงบให้สุขได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาไปตลอดไม่มีวันเิ้นสุดเพราะใจไม่เหมือนร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับเหมือนกับร่างกาย ใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าใจสุขก็สุขไปตลอดถ้าใจทุกข์ก็ทุกข์ไปตลอดใจของพวเราตอนนี้ทุกข์กันตลอดทุกข์กันทุกวันไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กันอยู่นั่นเนี่ยเรามีเวลาเป็นสุขบ้างก็แวบเดียวช่วงที่ทําอะไรตามความอยากได้ก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์กับคนนั่นใหม่กับทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์อยู่ทั้งวัน ทุกไปเรื่อยๆตายไปก็ทุกกลับมาเกิดใหม่ก็ทุกอีกแต่ใจของพระพุทธเจ้าบ้านนั้นนี่สุขตลอดเวลาตายไปก็ไม่กลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวที่เรากําลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฝึกสติฝึกปัญญากันมาอยู่กับที่กันอย่าไปไหนอย่าไปเที่ยวอย่าไปข้างนอกพยายามเก็บตัวให้มากๆ พยายามดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ด้วยสติด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่คนเดียวต่อไปอยู่คนเดียวจะมีความสุขกว่าอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นนอเรื่องมากวุ่นวายอยู่คนเดียวน้ไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องมีเรื่องกับใคร น, นี้ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษามาเรียนรู้แล้วนมาไปปฏิบัติกัน ถ้าเราไม่เรียนก่อนเราจะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็ไปปฏิบัติอย่างป้าแจวตอนต้นก็มาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพอรู้แล้ววิธีจะอยู่ ท, ยทํำยังไงทีนี้ก็ไปหาที่อยู่ทําที่อยู่พอมีที่อยู่แล้วทีนี้ก็ขังตัวเองอยู่กับที่อยู่นั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็มีความสุขกับอยู่การอยู่คนเดียว ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องขึ้นลงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวต้องขึ้นลําปางเดี๋ยวต้องลงมาขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นนะอยู่ที่เดียวสบายอนะก็เอาไปคิดดูแล้วลองเอาไปทําดูรับรองได้ว่าถ้าทําได้จะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้แล้วนะวันนี้แสดงพอสมควรจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริรปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังดุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ พราสุยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินาศตุมาเตภวัตวันตรายยสุขีทีขายยโภพวะอภิวัตนาสิริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมาวาทันติอายุวโนอสุขัง หลว ม, มพ่อว่าขอถามดิไหมคะถามว่าที่นึงนะของันเคยเคยไปนั่งนั่งสมาธิเริ่มต้นที่หนึ่งชั่วโมงคราวนี้ถ้าเริ่มต้นหนึ่งชั่วโมงที่เสริมทานาทีสิบนาทีก็ได้แต่อย่างน้อยอาทิตย์คือตั้งมุ่งมั่นว่าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่ง อาาเอาครั้งคือ จ, ะจะิตใาใจตัวเองทาได้ใช่ไหม ไ, ไม่ไต้องก็เริ่มต้นอย่างนี้ไปก่อนแล้วต่อไปมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆพอใกล้ๆจะหนึ่งชั่วโมงมันทรมานมากเลยก็ต้องสู้ด้วยพุทโธอย่าหยุดถ้าพุทโธพุทโธไปมันจะไม่ทรมานเพราะมันอยากจะลุกแล้วออพอไม่ได้ลุกมันก็จะทรมานถ้าเราพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความอยากได้มันก็จะไม่ทรมานมันจะนั่งต่อได้เวลาสุดมนนี้ชอบมากคือทําให้จิตใจมันสงบแต่ครั้นี้ ท่องผิดท่องถูกหรือท่องอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่องถูกมันก็ดีกว่าท่องผิดแล้วรู้ความหมายก็จะดีขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่แต่การท่องนี่ก็เพื่อทำให้เราหยุดความอยากในในบทสวดนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรก็สลับไปสลับมาแต่ว่าก็ชอบสวดได้สวดไปได้ท่องไปเพื่อให้ใจสงบได้ผิดถูกก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามันถ้าถูกมันก็จะดีกว่าผิด ความหมายเราเปิดในอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีนะคะไม่มีก็ต้องไปถามพระที่เขาแปลเป็นแปลภาษาบาลีเป็นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรล่ะไม่ต้องรู้ก็ได้ข้อทํามไหนๆเราสวดแล้วถ้ารู้บ้างบาทมันก็จะดีก็ดีบางบทก็อาจจะมีคําแปลให้หนังสือส่วนบบางเล่มเขามีคําแปลก็ไปหาหนังสือที่เขามีคําแปลถ้าอยากจะรู้ความหมายพราหม์หักมะเมตังพรามหักมะอ่านถูกปะบรามมณ์เมตัง พมมะระมรอะพระมเมตตังพระมรเมตตังแปลว่าที่ตรงเล่นตรงนี้มันหมายถึงกัอะไรบางทีก็มีอ่ะออกถึงไม่สะอาดบางทีก็ไม่สระอาดคือมันเป็นภาษาบาลีไงแล้วเราก็เอามาใช้ต่อบางทีเราไปตัดมันถ้าจะอ่านตามบาลีเต็มมันจะต้องมีสะอาดตามตัวหลังขอปาทามีนิดนึงครับสมัยก่อนนี่เป็นคนที่ขี้โมโหง่ายแต่ตอนนี้เวลาเราเป็นคนขี้บ่นเวลาใครพูดอลไรปึ๊บตอนนี้รู้สึก มันได้จุดคิดนิดนึงมีสติขึ้นเนี่คือแค่ประโยปเดียวแล้วก็หยุดใช่ดระแสว่าเมตตาเมตตานันช่วยได้เยอะใช่ไหมใช่เมตตาทำให้เราไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่อยากมีเรื่องกับใครนอถูกต้องแล้วแหละนปฏิบัติไปมันก็จะมีกําลังหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ง่ายขึ้นเคือคิดเองหมดเวลาแต่เราสรุปโอเคมันไม่ไม่คิดในทางที่ไม่ดีแล้สรุปเองอะไรเองใช่ ก็ต้องอะต้องรู้ว่ามันสรุปแล้วถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ก็หลงได้ก็ต้องรู้ว่าสรุปแล้วมันถูกมันทําให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายก็ใช้ได้นะทําไปเรื่อยๆต่อไปก็ทําเป็นสองชั่วโมงสองครั้งก่อนไม่เคยนั่งนะตอนทํางานนั่งไม่ได้ออตอนนี้มันก็นั่งกับพื้นได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ ของนี้ทุกอย่างมันทำได้ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมไปมาจากลำปางมีคำถามเห็นก็ถามไหมมาไกลหือ <c oughs> ยังไม่มี <c oughs> ต้องไปปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวจยคำถามจะมาเยอะแยนะ <c oughs> ถ้ายังไม่ปฏิบัติก็เลยยังไม่รู้ผิดถูกว่าเป็นยังไง สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการเมื่อยการเมื่อยเลยอ่าเมื่อยก็ชั่งมันเลย <c oughs> นั่งเฉยเฉยมันจะเมื่อยได้ยังไง <c oughs> อมันจะคิ้วเลยค่ะอ๋อเป็นก็เป็นไปปลอดมันเป็นไปเดี๋ยวมันก็หายเองอของพวกนี้มันเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายอืมเป็นครั้งหนึ่งค่ะที่ว่าเอาจนแนบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอืมมันก็หายไปหนย้วมันก็กลับมาเป็นอีกค่ะน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเส้นสายไม่ดีต้องไปจับเส้นก่อนบางทีเส้นสายถ้าเส้นสายมันไม่ดีมันก็เป็นได้ถ้าเป็นก็ต้องรักษาทางร่างกายไปก่อนแต่ถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งอย่างนั่งสมาธิอย่างเดียวก็อาจจะเป็นกิเลสถ้านั่งทําอย่างอื่นไม่เป็นนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลส แต่ถ้ามันนั่งทําอะไรมันก็เป็นก็ต้องไปให้หาหมอรักษาเส้นสายมันอาจจะตึงมันอาจจะยังมีการบีบนวดบ้างเราก็เป็นบางที่นั่งอยู่งนี้คุยกับญาติโยมเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาแต่ถ้าพอไปบีบเส้นไปจับเส้นเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นมันเป็นวัยนะคะเ่านท่านั่งก็เป็นนะคะก็ลองนั่งท่าที่มันไม่เป็นนะท่า นั่งเก้าอี้ดูโยมาการเสร็จแล้วเห็นไม่ชินเท้านั่งาาห้อยเท้าไปก่อนก็เลยเอาไปทำได้ก็ลองนั่งอย่างนั้นไปดีกว่าไม่ได้นั่งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถามว่าวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ ทาง f ฟ c e b o o สามร้อยเจ็ดส2บเจ็ดยูรอยี่สิบวิทยุยี่สิบเอ็ดรับฟังบนเขา 33, ่าสามสิบสามรวมเป็นห้าร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะวันนี้ตอง5้าอยู่ใกล้ๆกตองห้าวันเสาร์ที่กล้ใกล้ตองหกคำถามใครอยากจะถามก็ถามได้พูดใกล้ๆหนะ่อยขออนุญาตครับจะขออนุญาตเดียนสอบถามหลวงพ่อพอดีว่าคุณพ่อเนี่ยเพิ่งค่าสุนนะัขค่าสุนนะัขครับผม อแล้วสุนัขเนี่ยมีมี ม, ม, มีลูกสุนัขอยู่ในทองด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้งใจจะทําบุญแทนคุณพ่อไม่ทราบว่าหลวงพ่อ ม, มีมีข้อแนะนําในการทําบุญให้คุณพ่อทแทกันไม่ได้หรอกติดคุกแทนกันไม่ได้หรอกใครทำ <คน S 1> ก็ต้องคนที่ทํานะจะต้องต้อ ง, ต, องต้องทําเองอวิธีแก้บาป บ, บาปที่ทําแล้วแก้ไม่ได้ แต่ให้มีจิตสำนึกรู้ว่าบาปไม่ควรทำแล้วก็พยายามอย่าทำต่อไปบาปมันก็จะไม่มากบาปก็จะเกิดขนเดียวมีความตั้งใจรึเปล่าเวลาฆ่าถ้ามีความตั้งใจก็แสดงว่าบาปแต่ถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุขับรถชนมันโดยที่เราไม่ตั้ตั้งใจไปชนมันมันวิ่งมาตัดหน้าอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้าทำไปแล้ว ถ้าอยากจะอยากจะทำให้มันเบาลงก็บาปไม่เบาลงเตยเราสามารถทำบุญเพื่อที่จะมาด้านมันได้ทำบุญอุทิศส่วนนึงก็อุทิศให้กับหมากับลูกหมาที่ตายไปอาจจะเป็นวาระของมันที่มันจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มองมองไปในแง่ดีเป็นหมามานานแล้วถึงเวลาได้ไปเป็นมนุษย์แล้วก็เลยต้องมีเหตุทำให้มันต้องตาย อย่าไปกังวลกับมันเลยกับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วขอให้เรากังวลกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดดีกว่าคือการฆ่าครั้งต่อไปอย่าให้มันเกิดดีกว่าการฆ่าที่ผ่านไปแล้วห้ามมันไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วแต่การฆ่าครั้งใหม่นี้เราห้ามได้ถ้าเรามีจิตสำนึกว่ามันไม่ดีมันไม่ควรทำเราก็พยายามตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่าแล้ว แล้วพอมันจะค่ามันจะได้มีอะไรมาทักทวงมามาเตือนใจมาห้ามใจได้แต่บาปใครบาปมันไม่มีใครไปทดแทนกันได้นะบาปของพ่อก็พ่อต้องเป็นผู้ไปรับผลบาปแต่เราสามารถที่จะทำให้บาปนั้นมันยังไม่เกิดผลได้ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเวล า, าเราทำบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปบาปยังไม่สามารถแสดงผลได้เพราะบุญมันมีกาลังมากกว่า บุญจ ะ, สะแสดงผลก่อนอก็แานที่จะไปเกิดในอบายก็อาจจะได้ไปเกิดในในในสวรรค์ก่อนแต่บาปนั้นก็ยังมีอยู่สักวันหนึ่งจะต้องใช้มันอาจจะเจอหมาตัวนั้นกลับมาเกิดเป็นคู่คู่อริกับเราแล้วก็มาฆ่าเราก็ได้ยังก็ต้องเตรียมตัวรับผลบาปที่เราทำไว้ก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะมีผลบาปก็อย่าไปทำบาป ทำแต่บุญก็จะมีแต่ผลบุญอ่ามีใครถามคำถามอีกไหอ่ามาอันนี้มีคำถามเยอะครังแหงคำถาม <c oughs> ไม่ต้องเกงมาแนละ้วนี่ที่นี่เป็นที่ถามตอบปัญหาอยู่แล้วถามมาตอบไปพระอาจารย์ครับข้อแรกเลยครับอ่า ทำไมเวลาเราเอาอย่างข้อในพระสุนทรภัณนะครับคือต้องละศักยทิฐิได้ใช่ไหมครับที่นี้ยครับทําไมท่านทีระได้แล้วทําไมกาเมาลาคะยังละไม่ได้ครับก็เป็นคนละปัญหากันเนี่ยเป็นคนละโรค ก, กันโรคปวดท้องกับโรคปวดหัวมันรักษาโรคปวดท้องหายโรคปวดหัวมันยังไม่หายมันเป็นคนละโรค ก, กันมีสาเหตุต่ตางกัน สักยะทิฏฐิคือการที่เราไม่ยึดร่างกายหรือว่าการที่เราใช่แต่เรายังเห็นร่างกายว่าสวยงามอยู่ต้องไปละอีกตัวหนึ่งละการเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามด้วยการเห็นว่ามันเป็นอสุภะไม่สวยงามไปดูข้างในไปดูตับไตไสู้มิของร่างกายมั น, นือนจะละละกามารลมได้กากามราคะได้อ๋อละได้คนละแบบมันมันสาเหตุมันต่างกันเหตุที่ทําให้เราไป ไปหลงมันมันคนละเหตุกัน <laughs> เหตุที่ทําให้หลงรักร่างกายของเรากลัวตายเพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็เลยไม่อยากให้มันตายอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะฮะพอเราพิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ให้เรามาเราก็รู้ว่ามันต้องตายก็ปล่อยมันตายไปห้ามมันไม่ได้ครับ <c oughs> อันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องความรักความรักตัว ก, รร ก, วกลัวตายได้ครับ <c oughs> แต่ยังไปหลงรักความสวยงามของร่างกายอยู่ เพยังไม่เห็นข้างในของร่างกายเห็นแต่ข้างนอกใช่ไหมไม่เห็นตับไตไส้พุงไม่เห็นปอดไม่เห็นหัวใจไม่เห็นโครงกระดูกถ้าถ้าร่างกายผิวมันใสเป็นโคงเห็นขัดเห็นอะไรข้างในนี้เหมือนกับถูกบลาสติกนี่อยากจะมีแฟนไหมทีนี้ผมถามแฟนครับพระอาจารย์ผมมาถามมาแล้วเพราะเขาเรียนเรียนอน a t o m y เขาบอกว่าจริงๆแล้วในร่างกายมันไม่ได้เน่าแฟะน้ำหลงน้ำเลนกันจริงๆแล้วมันเป็นมวล กล้ามเนืกระดูกที่มันพันกันสวยงามว่าวช่วยนาแล้วเขาสำหรับเขาสำหรับเขาเขาเรียนเขาเรื่องอินเนี่ยแล้วตับไตไส้พุงก็สวยงามไหมล่ะถามกระเพาะกระเพาะเออยปอดเออยหัวใจเออยตับเออยสมองไงมันสวยงามครับก็ดูสวยงามไหมก็หลกศีสันสวยงามไหม ตาก็สวยงามก็โอเคแสดงว่ญญาเขาเป็นสาดิตแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> พวกนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วตาก็ชอบนอนกระสบนอนนอนกับผีเดินได้ก็ปล่อยก็เดินไปเนี่ยพราะเราเป็นผีเดินได้กันรู้เปล่าเพียงแต่เรามองไม่เห็นผีมองเราไม่มองว่าเป็นผีนเรามองว่าเป็นคนแต่พอไม่มีลมหายใจปั๊บเนี่เราไม่ยอมให้เขาอยู่บ้านเราใช่ไหมใครใครนองไม่มีลมหายใจอยู่ไม่เก็บไว้ในบ้านเราใช่ไหม กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดขึ้นมานทันทีใช่ไหมครับทั้งๆที่ยังไม่สั่นเน่าเสเลยเป็งแต่ไม่ลมไม่มีลมหายใจยก็กลัวกันละใช่ไหม <c ười> แต่พอยังมีลมหายใจยไม่กลัวแปลกนะคนกับคนที่น่ากลัวมันน่ากลัวตอนที่เป็นมากกว่าตอนที่ตาย <c ười> ตอนที่เป็นกลับไม่กลัวกลับไปกลัวตอนที่ตายตอนที่ตายไม่น่ากลัวเขาทําร้ายเราไม่ได้แล้วละ่ะเขาจะทําร้ายเราได้ก็ตอนที่เขาเป็นเท่านั้นแต่เรากลับไม่ไปกลัวเขาตอนที่เขาเป็น ไปกลัวตอนที่เขาทำร้ายเราไม่ได้ตอนที่เขาเป็ต อ, ตอนที่เขาตายเนีไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, ม, มีไม่มีเหตุไม่มีผลกิเลสมันไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้แล้วพูดถึงการเพ่งกระดูกครับถ้าเกิดว่าเห็นเป็น ออกแนวสีขาวๆแล้วเป็นเหมือนกระดูกแท่งมาแต่ว่ายาวๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างอาจารย์เอาทั้งเอาทั้งโครงเลยเสิไม่เอาแคะดูแท่งเดียวทําไหมไหนจะดูบางทีก็ดูทั้งโครงนั่นเลย <c oughs> โครงกระดูกเห็นไหมที่เขาแขวนไว้ตามโรงพยาบาลเนี่ยค่าก็อ่าน <c oughs> ดูเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเรามีอยู่ตลอดเวลาเวลาเรามองเราเนี้ยกระจกก็คิดถึงโครงกระดูกกระดูกอะไรเลยเวลาเราดูหน้าเราเนี่ยข้างใต้ผิวหนังนั่นหน้าเรามันมีอะไรบ้างอ่ะ มันก็มีการะโหลกศีรษะแต่เราไม่มองไม่เห็นก็เลยคิดว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอืครับแล้ว เ, เวลาทําบุญนะคะรับอาจารย์ถ้าทําอย่างทาสักกานรเนี้ยถ้าเราลักษณะเป็นการให้เงินกับเราให้สิ่งของที่ไม่ใช่เงินนะคร<ด>ับจริงนั้นเป็นเงินก็ได้สิ่งของก็ได้เป็นตัวอันนี้สม่ำเท่ากันไหมค ร, าารับอาจารย์ก็อยู่ที่มูลค่าของมันไง พอเราเราเร า, เราวัดทุกสิ่งด้วยมูลค่าใช่ไหม <c oughs> เราเสียมากกแเราเราก็จะรู้สึกว่าเราได้ทํามากเราเสียน้อยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําน้อยความรู้สึกมันต่างกันะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเราไม่ว่าเราจะทำงานหรือว่าเราทำธุรกิจแล้วเราตั้งใจที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ถูกตาถูกปากถูกหูถู ก, ถกจมูกถูกทั้งหลายอย่างเงี้ยครับบาปไหมครับไม่บาปเป็นการส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองก็จะทำให้ผิด ทุก่อนก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่ครับยังไม่บาปแต่แต่การช่วยช่วยชีวให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันให้มาเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พายดาพูดนะครับถ้าเกิดว่าความสงบมาทำให้เรารมีความสุขแล้วความนิ่งนี้ให้อะไรกับเราครับพายดาก็นี่แหละความนิ่งก็คือความสงบตัวเดียวกันอ แล้วถ้าเกิดบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมีสติกับปัญญานี่คือทําให้เรามีความสุขได้แล้วบุญกับบรารมีนี่ทำให้เรามีความสุขไหมครับบุญบรารมีก็คือสติกับปัญญานี่ไงตัวเดียวกันนี่บุญบรารมีมันมีหลายหลายตัวที่น้อยกว่าสติปัญญาก็มีทานศีนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันแต่มันให้ความสุขน้อยกว่าบุญที่เราจะได้รับจากสติจากปัญญาแต่เราก็ต้องอาศัยบุญต่ําขึ้นไปหาบุญสูงก่อน เหมือนกับเราเรียนหนังสือเราต้องเรียนจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงก่อนเพราะมันง่ายมันมีความยากง่ายต่างกันทำบุญมันง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลมันยากกว่าง่ายกว่าการนั่งสมาธิครับเยมันก็ต้องอาศัยเป็นการไต่เต้าบันไดขึ้นไปฝึกจากง่ายไปหายากก่อนครับครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่า ฝึกเพ่งโครงกระดูกคือเพื่ออสุภะเพื่อเนี่ยครับแต่ว่าพูดถึงเวลาที่เราตายครับกรรมาฐานกองไหนที่เราแบบสบายใจที่สุดล้วก็ทำใช่ไหมครับคือไม่คื อ, ค, อคือไม่ต้อเป็นจะต้องเป็นกองอสุภะก็ได้สมมติผมขณะที่จะตายไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่าม่าม่าาาาไม่ไม่ ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ า, าว่ไม<า>่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม้ไม่มไม่ไม่เม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม ถ้าเราดูลมหายใจแล้วสงบแล้วก็ดูลมหายใจไปอันนี้ที่ให้ดูอสุภะก็ตอนที่เราเกิดการอารมณ์อยากจะนอนกับแฟนนี้ดังนั้น แ, แฟนไม่อยู่ก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจจ่อยากจะให้มันหายหงุดหงิดก็ให้มองออถึงอสุภะจริงๆมันไร้ค่าตรงนั้น น, นี่ครับแค่เห็นคนสวยก็แบบ ก็เกิดอารมณ์ซึ่ง ม, ไม่ไม่ไม่เกิดอารมณ์แต่หมายถึงว่าไม่เกิดอารมณ์แต่หมายถึงว่ามันก็ยังมีความหลงในรูปสวยครับน น, นซึ่งมันฝังลึกแย่มันเป็นสันดานของเราอมบางทีไม่ทันมองในเพียงแต่คิดก็กกกเกิดแล้ว<ม>เวลาต้องมานึกใหม่นึกถึงอสุภะแทนพอนึกถึงสวยก็บอกเดี๋ยวก็เป็นศพแล้วนะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเราแบบเราเราจะไม่ ทำผิดสินแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใจลราแบบี่งมีความหลงอย่างเงี้ยมันก็ยังอันตรายมากไหมครับหรือจริงๆนั่คือไม่ต้องแบบเ <ทำ S 2> สี<า>่ยงนะเดี๋ยวมันอดมั่งมากทนไม่ไหวเนี่ยมันก็ผิดสินเองเน่ยเดี๋ยวมีอะไรมาเย้าโวยวนกวนใจมาร่อใจมากๆเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวอยู่ดีถ้าไม่มีอสุภะถ้าเห็นเขาเป็นอสุภะต่อให้มายวนยังไงกวนยังไ ง, ก, ง, ไงก็ไม่มีวันที่จะไปทําผิดศินได้ครับข้อนี้ยากไป ห, หนึ่งครับ สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสมมติกตัวอย่างเลยถ้าเกิดเราเป็นนายกรัฐมนตรีองเงี้ยครับแล้วมีคนมาให้สินบนเราขอโครงการหนึ่งแล้วมีอยู่สองเจ้าคือเจ้ากอไกขอไข่กอไก่ให้ผลประโยชน์รัฐ8บาทอขอไข่ให้ผลประโยชน์รัฐสิบาทแต่ว่าไอ้กไก่เนี่ยมาแอบให้ใต้โต๊ะกับนายกให้อีก3บาทเพิ่มรวมทั้งหมดก็คือสิบอดบาทแต่สาบาทให้นายก8บาทให้รัฐกับอีกคนหนึ่งอ่ะ10บบาทให้รัฐทีเนี้ย เพื่อความอยู่รอดของนายกที่ต้องไหลาตามน้ําถ้าเกิดเขาเอาสามบาทเนี้ยไปให้รัดคืนเองเท <Okay. S 2> ่ากับว่ารัฐจะได้สิบเอ็ดบาทในยอดรวมคําถามคือถ้าเกิดนายกทําแบบเนี้ยครับเลือกเจ้าก็เลือกเจ้าที่เขาติดสินบนแต่ว่าโดยรวมอ่ะสิบเ็ดบาทรัฐได้โดยที่ตัวเองเอาสามบาทที่ได้มาไปให้รัดนี้เานายกบาดไหมครับจะไปบาทตรงไหนเมื่อนายกไม่ได้เอาเก็บไว้เองก็ให้รัดหมดเพีงแต่เป็นตัวตัวกลาง ทำให้รัดได้รายได้มากกว่าจากสิบาทเป็นสิบเอดบาทก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมครับทีนี้เข้ามาให้รัฐนี่คือต้องให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลรัดโรงเรียนรัฐอะไรทั้งหมดก็ได้หมดเลยถูกไหมก็ <c oughs> แล้วแต่ตามที่เราไม่ได้เอาคาหนับตัวเราเองมันก็เราก็ไม่หรืจริงๆถือถ้าเกิดเราไม่ต้องให้รัฐแต่ว่าเราไปให้วัดก็บาปไหมครับก็ <c oughs> ถือว่ามันก็เหมือนกับไปยั่งย่ำเงินของรัฐไป มันต้องให้เจ้าของ่กลายเป็นเจ้าของเงินนั้นก็ควรจะให้เจ้าของเงินไปถ้าไปใช้อย่างอื่นก็ถือว่าเป็นการยักยอกเงินไปไหนก็นายกเป็นคนซื่อสัตว์แต่เขาจะให้นายกก็เห็นว่าถ้ารับมาแล้วแล้วให้รัดรัดจะได้มากกว่าก็เลยทํา อย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี้มันคงอยู่ไม่ได้ครับเพราะคงไม่เอาเพคงโดนลุมฆ่านั่นอย่างนั้ น, <c oughs> นต้องคงโดนรุมฆ่านั้นรักษาศีลมันยากเลถ้าถ้ายังเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอยู่เพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อย่างนี้คนเราจะสามารถได้ดีทั้งทางโลกทางธรรมคู่กันได้ไหมครับก็ได้แต่ต้องได้ในลักษณะที่ไม่ไม่ต้องไปทําบาปนะถ้าอะไรที่ต้องจะเป็นการทําบาป ก, ก็ต้องไม่ไม่เอา มันก็มีการทํามากินแบบไม่ต้องทํำบาปได้เอแต่แบบที่ต้องทํำบาปมันก็มีถ้าเรารู้ว่าเราถ้าเราทําแบบนี้เราต้องทํำบาปเราก็อย่าไปทําำเราก็เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนอาชีพใหม่ไปครับข้อสุดท้ายครับ อ, อตรงที่พายอาจเมื่อกี้พูดถึงสัจจะให้ถามว่าสักอยหนึ่งเขตั้งใจว่าจะไม่ทําอะไรเงนี้ครับการที่เรา เก่งกลัวบาปมากเงี้ยครับแต่เราเนื่องจากว่าเราเกี่ยวข้องกับทางโลกเยอะเงี้ยถ้าเกิดเราตั้งสาจาัจจะให้ฐานว่าเราจะไม่ทําบาปใหญ่หรือเราจะไม่ทําคือเราควรจะตั้งสาจาัจจะให้ฐานแบบไหนดีครับเพื่อเรียกให้เราไม่ตกอันปลภูมิมาครับออก็ต้องอย่าทําบาปทุกทุกประการไม่ว่าบาปใหญ่บาปเล็กบาปเล็กมันก็ไปได้ไปเพียงแต่ไปติดช้าติดน้อยหน่อย ไปหมดเลยนะครับบาปบาปมันเหมือ น, นกับทาผิดกฎหมายน่ะมันก็ติดคุกเหมือนกันเพียงแต่จะโทษหนักโทษเบาเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะติดคุกก็อย่าไปทําผิดกฎหมายกฎหมายมันก็มีข้อหนักข้อเบาบาปก็ทํามากทําน้อยมันก็หนักเบาอยู่ที่เราทํามากทําน้อยคือพูดง่ายๆถ้าเราไม่ผิดสิบห้าเนี่ยเ ร, นนเราก็ทําไม่ตกกระเบีูกแน่นอนแน่อ่นอนอแต่ว่าอาจจะได้ดีน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราไ ม, ไม่ตกกระเบียบผูกได้โอเค มีค ใ, ใครอยากจะถามต่อไหยจะได้ส่ ง, ม ไ, ส ง, ม ไ, งไม้ไปอ่ะส่งไม้ไปให้เขหลังได้น ะ, น ะ, ะอ่มพูด่าายมพูดหน่อยจะได้คนจะได้ยินทั่วกันเออเวลาตายสุดท้ายของการตายนะฮะ บางทีคนตายสุดท้ายของการตายบางคนทุรนทุลายลงดาเจ็บปวดกับอีกคนหนึ่งที่เข้าไปโดยสงบนี่คือการวัดผลว่ า, าจักเวรกรรมที่เขาได้ทำใ ช, ใช่ไหมคะถูกต้องถ้าคนทำบาปมากเวลาตายจะทรมานคนทำบุญแล้วตายอย่างสงบไม่ไร้ไม่หลงไร้สติแ ล, แล้วเวลานอนหลับก็จะเป็นตัววา่าแต่ตัวหนึ่งถ้าหลับแล้วฝันดีก็เป็นว่า ทำบุญมาเยอะถ้าหลับแล้วฝันร้ายก็แสดงว่าทําบาปมาเยอะก็แสดงว่านั่งสมาธิได้เนาะเวลาสุดท้ายของคุณแม่อยูยังไม่รู้ว่าคุณแม่เสียเมื่อไหร่แสดงว่าแม่แม่สงบก็แสดงว่าบุญพาไปสุดท้ายที่เห็นคือเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยสองผลแสดงว่าบุญไปสงบก็ไปสบายไปสุขคตินถ้าไปแบบทุรนทุรายก็ไปทุกขติ วันนี้คือคนไปแล้งรถก็คือจะรู้ได้เลยว่าคือไปแบะธรมานเออทรมานไร้สติลหลงไายข้างบ้าขั้งหรืออะไรโวยวายหวาดกลัวอา่อาถามต่อ <c oughs> คือว่าดิฉันมีมี ม, มีมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะแต่เวลาถ้ามาถือสินเนี่ยบอกว่า บอกว่าวไปต่างจังหวัดอย่างนี้ยจะผ่ามไหมอ่ะถ้าไม่ทําตามที่เราพูดมันก็มันก็โกหกกัส <c oughs> ิก็ไม่เป็นไรบอกก็มาวัดไม่ต้องมาอธิบายก็ฟังก็ได้มาวัดเออเขาก็มีวัดของเขาเขากมีศาสนา <c oughs> เขาก็เข้าใจเองอมาวัดทําไมมาก็มาทมําบุญให้ต้องไปโกหกเขาเลยอทางเขาจะไม่ไม่เชื่อฮเขาเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราพูดความจริงเราจะได้ไม่บาปไง ค่ะ เ, ออเข้าใจแล้วค่ะออกลับเรียนพระอาจารย์ครับพอดีผมเพิ่งมีลูกเล็กๆอะครับ ก, ก, ก็ค่อนข้างจะรักเขามากอะครับก็พยายามสอนเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีอะครับแต่ยิ่งรักเท่าไหร่เนี่ยเราก็กลัวว่ามันเป็นการผูกออจิตกับเขาหรือเปล่าครับแล้ววันหนึ่งที่ครับผมมันมีรักสองแบบนะรักบบหลงมันก็จะผูก ถารักแบบฉลาดก็ไม่ผูกรักแบบฉลาดก็รู้ว่าชีวิตไม่เที่ยงแน่นอนจะต้องในที่สุดก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันแล้วก็ชีวิตเขาเขาจะดีจะชั่วบางทีเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่ทุกข์ก็รักเขาเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขา แล้วเขาจะอยู่นานหรือไม่อยู่นานมันก็เป็นเรื่องของเขาครับคือบางทีกลัวถึงว่าวันวันหนึ่งที่ต้องจากกันอย่างนี้ยครับอกลัวจะทุกข์มากและทำใจไม่ท<ช>ุกข<ม>์ก็ถ้าคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะทําใจไม่ได้ร่วงหน้าก่อนเลยถ้าไม่คิดเนี่ยมันจะมันจะทุกข์แตคิดตั้งแต่ตอนนี้ว่าเดี๋ยวก็ต้องจากกันเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้คิดอย่างนี้เขาก็มาเดีวเดี๋ยวเขาก็ต้องไปตามตามบุญตามกรรมของเขา ถ้ามองความจริงแล้วมันจะไม่ทุกข์แต่ต้องคิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ทุกข์ก็ต้องรีบเอาความจริงมาสอนใ จ, จแสดงว่าละห่วงและไม่ยอมรับความจริงแล้นะไม่ทุกข์ธรรมะจะช่วยทําให้เราไม่ทุกข์ถ้าไม่มีธรรมะจะทําให้เราทุกข์นะดงั้นพยายามหมั่นคิดอยู่เรื่อยพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ดงพลความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันแล้วมันจะมีธรรมะคอยสอนใจไม่ให้ไปยึดติดมากเกินไปหมดแล้วเหรอนี่คำถามทางบ้านนะคําถามฝากจากทางไลน์ค่ะคนที่เข้าวัดสวดมนต์ถือศีลแปดแต่ยังใช้วาจาว่าผู้อื่นอยู่ในทางเสียหายเราควรเตือนเขาหรืออยู่ห่างๆดี เขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนแบบเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาฟังเราหรือเปล่าเขายินดีที่จะฟังรับคำว่ากล่าวตักเตือนของเราหรือเปล่าแล้วเขาไม่ยินดีก็อย่าไปพูดเลยพูดไปแล้วมันจะแทนที่จะดีมันอาจจะเกิดโทษกับเราเขากล่าวจะโกรธเกลียดเราขึ้นสิแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเหตนั้นต้องดูว่าเขายินดีที่จะรับคําว่ากล่าวตักเตือนของเราหรือเปล่า คำถามจากแฟนเฟซบุ๊กจากคุณสมยงหลวงพ่อครับกรับเรียนถามว่ากระผมปรารถนาชาติหน้าขอให้บวชตั้งแต่เนนต่อพระตายกับผ้ากาวสาวพัดจะสมปรารถนาหรือต้องทําบุญให้ทานอะไรครับอ๋อถ้าอยากจะสมปรารถนาก็บวชชาตินี้เลยไม่ <c oughs> ต้องไปรอชาติหน้าด้วยถ้าชาติหน้าเดี๋ยวมันเกิดมันก็ไปขอชาติหน้าต่อ อ, อีกมันก็ยังไม่ยามบวชสักชาติหนึ่งกันในชะ่ไกิเลมันจะหลอกอ ถ้าอยากจะสมปาถนานก็บวชชาตินี้เลยคำถามจากคุณเบียรเรียนถามพระอาจารย์ครับพอดีแม่เสียได้ประมาณหนึ่งปีแต่ใจยังโหยหาน้ำตาไหลทุกครั้งที่คิดถึงกราบขอหลักธรรมชี้แนะในการปล่อยวางครับก็มองว่ามันเป็นเหมือนความฝันเน่เราฝันดีขนาดไหนพอตื่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้วจะไปโหยหวนไปคิดถึงมันมันก็ไม่กลับมาอยู่ดี ก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายังหวยหวนถ้ามันยังเดือยอยู่ก็ต้องใช้สติหยุดมันหยุดคิดถึงแม่เวลาคิดถึงแม่ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนให้คิดถึงพุทโธพุทโธแทนแล้วต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองถ้าไม่หยุดมันถ้าปล่อยมันคิดมันก็จะคิดอยู่ไปเรื่อยๆมันมันจะติดเป็นนิสัยเรนเราต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยการให้มันมาคิดถึงพุทโธพุทโธแทนคําถามจากคุณสันพบ กลับนวสการพระคุณเจ้าครับการที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสนั้นแต่มักคอยเจอแต่สิ่งที่มากระทบทำให้เราไม่สามารถสร้างความสงบภายในใจเราได้บางครั้งเราพยายามหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่แห่งอื่นเช่นวัดแต่ก็ยังหนีไม่พ้นสิ่งกระทบเหล่านั้นบางครั้งด่วนดูบังเอิญเช่นไปนั่งอ่านหนังสือธรรมะแต่ก็บังเอิญพระท่านก็มาตัดหญ้าบริเวณที่เราอ่านหนังสือนั้นทาให้เราไม่สงบ ผมเจอเหตุการณ์ที่เหมือนบังเอิญทำนองนี้มากมันคืออะไรหรือครับหรือเป็นบททดสอบเราพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับไม่หรอกเราหาที่ไม่เป็น น, นั่นเองที่ไม่มีคนไม่ไปเนี่ยถ้าไปหาที่มันมีคนมันก็ต้องเจอเรื่องทดสอบนี้ไปอยู่ป่าช้าดูวยไม่มีใครไปหรอกไปฝึกที่ป่าชา้าไปฝึกในป่าไม่มีคนไอ้ที่ไม่มีคนไปไม่ไปไปไอ้ไปที่ยังมีคนมันก็ต้องมีคนมาทดสอบจิตใจเราเสมอ เพราะคนเขาย่อมทำนู่นทำนี่ตามภาษาของเขาก็ไม่มาสนใจว่าเราทำอะไรหรอกองั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ใครมารบกวนใจเราก็ต้องไปหาที่ที่ไม่มีคนถ้าอยู่บ้านก็ขังตัวเองอยู่ในห้องปิดประตูบอดแอร์ไม่รับรู้อะไรมันก็อยู่คนเดียวได้ละไม่ยากเย็นหรอกเาหาไม่เป็นเองคำถามสกคุณชาตรีผมสวดมนต์ด้วยบทสวดชินบัญชรยอดพระกันไตปิฎก อิติปิโสถอยหลังโพชฌงค์คัปปริษและบทอื่นอีกรวม16บทนั่งสมาธิด้วยรวมประมาณวันละสองชั่วโมงและแผ่เมตตากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรผมมาถูกทางไหมครับถูกครึ่งหนึ่งอะไม่ถูกตรงที่แผ่เมตตาก็ อ, อุทิศบุญนะเพราะไม่ได้แผ่เขาจะไม่เวลาสวดบทแผ่เมตตายังไม่ได้แผ่การสวดไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเกิดจากการกระทา ต้องพบกันเวลาพบกันแล้วยิ้มให้กันเนี้ยแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาเจอกันหน้าบื้องตึงถ้าอยากจะแผ่เมตตาเวลาเราพบปะกันมีขนมมาฝากกันเงี้ยเรียกวแผ่เมตตาไม่ใช่สวดสัพเพสัตตาคนเดียวไม่มีใครเขารับรู้กับการแผ่ของเราเวลาแผ่มันต้องมีผู้รับเข้าใจไหมงั้นการสวดไม่ใช่เป็นการแผ่เป็นการสอนใจให้รู้จากวิธีแผ่ ส่วนการอุทิศบุญก็อุทิศไม่ได้เพราะบุญยังไม่เกิดถ้าจิตยังไม่สงบมันยังไม่มีบุญที่จะอุทิศนแต่อยากจะอุทิศบุญก็ไปทำถวายทาบุญถวายสังฆทานเงี้ยบุญเกิดขึ้นแ ล, ล้วสําเร็จแล้วก็อุทิศบุญนั้นได้อยู่บุญที่เกิดจากสวดมนต์นี้มันยังไม่ยังไม่ได้ผลเป็นเหมือนกับการกำลังปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ออกดอกออกผลถ้ามันออกดอกออกผลแล้วอาจจะอุทิศได้ เขาถึงไม่ไดยมอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิแล้วอุทิศอุทิศบุญกันถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปทําบุญดีกว่าง่ายดีค่ะคำถามจากคุณพีภูจุงกราบเรียนถามเจ้าค่ะเราสามารถอุทิศบุญให้พระอริยะที่ละสังขารไปแล้วได้หรือไม่เพราะท่านย่อมมีบุญบา ร, รมีสูงกว่าเรามากถ้าได้ควรทําอย่างไรคืออุทิศได้แต่ท่านจะรับไม่รับเท่านั้นเองเหมือนเอาเงินไปให้เศรษฐีเอาเงิน เงินท่านขอทานไปให้เศรษฐีเศรษฐีเขาจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ก็อาจจะรับด้วยความเกรงใจรับด้วยเห็นว่าเรามีน้ําใจกับเขาอย่างถ้าถ้าเราอุทิศไปแล้วเกิดเขาเป็นเทวดาเขารับรู้เขาก็จะอนุโมทนาขอบใจนะที่อุตส่าห์ส่งเงินมาให้แต่ความจริงไม่ต้องส่งมาก็ได้หรอกเพราะว่ามันเรามีเยอะอันนี้ก็แบบเดียวกันภาริยะนี่ยิ่งมีมีบุญเยอะยิ่งกว่าพระยิ่งกว่าเทพยิ่งกว่าพระมงอีก อเอาเงินที่จะให้ขอทานไปให้มหาเศรษฐีมันจะมีความหมายอย่างไรก็คิดดูก็แล้วกันคำถามสกคุณวรพัฒน์กลับนมัสการพระอาจารย์บุญกุศลที่เราได้ทำมาแต่อดีตหรืออดีตชาติสามารถที่จะอุทิศกุศลนั้นให้ผู้เสียชีวิตในปัจจุบันได้หรือไม่ครับไม่ได้แล้วแ่ะมันหายไปไหนหมดแล้วต้องสร้างบุญใหม่ทาวันนี้แล้วก็อุทิศตอนนี้เป็นของสดสดร้อนๆไป คำถามสักคุณมังกรทองกับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมใส่บาตรพระทุกวันเวลากวดนาว้าอุทิศกุศลแล้วรู้สึกขนลุกขนพองไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับก็จากความปิติของเราเนี้ย คำถามจากคุณขวัญเรียนถามพระอาจารย์หญิงนั้นต้องมีรอบเดือนแล้วก่อนมีจะเกิดอาการหดหูบ้างวีนบ้างหงุดหงิดบ้างยิ่งอายุเยอะมีอาการไวทองยิ่งมีอาการรุนแรงทางกายที่ต้องจัดการกับอารมณ์แทบทุกเดือนพอหมดถึงจะอารมณ์ดีขึ้นเป็นปกติและงานจัดการกับกิเลสในใจอีกพระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางแก้ไขให้ผู้หญิงที่มีปัญหาแบบนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ ก็ฝึกสติเนี่ยฝึกสติจะระ ง, งับอารมณ์ได้อารมณ์นี้มันเป็นผลที่เกิดจากความไม่ปกติของร่างกายพอเกิดอารม ณ, รมณ์ถ้าเรามีสติเราก็ระ ง, งับอารมณ์นั่นได้คําถามสักคุณไม่กลับเรียนถามพระอาจารย์เหมือนเคยได้ฟังพระอาจารย์เทศว่าถ้าทําบุญอยากได้บุญเต็มส่วนก็ไม่ต้องเอาไปลดภาษีคําถามคือหนึ่งการเสียภาษีอย่างถูกต้องได้บุญไหมคะ แล้วแต่เราจะมองจะได้บุญก็ต่อเมื่อเราเรายินดีโดยที่เขาไม่บังคับให้เราเสียถ้าเขาบังคับให้เราเสียแล้วถ้าไม่เสียเราจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางนี้ก็ไม่ได้บุญเพราะเป็นการซื้ออิสตภาพก็ยังนะที่เราจ่ายภาษีเพราะเรากลัวถูกจับเข้าคุกอยน่นไม่ถือว่าเป็นบุญถ้าเป็นบุญนี่ต้องไม่มีการบังคับกันมีการให้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีการตอบแทนถ้าอยากจะได้บุญก็ให้เขาสองเท่าสิ บอกเขียนว่าขอขอทำบุญกับรัฐอีกอีกหนึ่งเท่ า, อ ย, าอย่างเงี้ยได้บุญไอ้ที่กำลังข้าไม่ทํานั้นไม่ได้บุญแต่ที่ส่วนเกินนี่เราขอขอทำให้กับรัฐอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะได้บุญข้อ2ถ้าญาติทําบุญแต่ไม่ต้องใช้ใบอนุโมทนาบัตรเราไปขอญาติให้ทางวัดเขียนเป็นชื่อเรานํามาลดหย่อนภาษีวงเล็บพระอาจารย์ว่าเป็นการหลอกลวงอย่างนี้ถือว่าเราบาปไหมคะก็บาปอ่ะไปเอาเงินของคนอื่นมา มาเป็นของเราเพราะเงินลดหย่อนภาษีก็เป็นของของอนุญาตินอกอจากว่าถ้าญาติเขาอนุญาตแล้วก็อันนี้ก็อาจจะไม่บาปเพราะถ้าญาติอนุญาตเออเอาไปถ้าต้องใช้ชื่อของเธอก็ไม่เป็นไรนี้ก็ถือว่าไม่บาปแล้วเจ้าของเงินเขาอนุญาตให้เราเอาเงินนั้นกลับมาคืนเรา <c oughs> คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณประหยัด ต, <c oughs> ตั้งแต่ฟังพระคุณจเจ้ามานี่พระพุทธศาสนาของกระผมเหลือแต่การปฏิบัติทานศีลภาวนาเท่านั้นผมคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละคือแก่นของศาสนาการปฏิบัติอย่างอื่นก็แล้วแต่กาลเทศะแล้วแต่ความเหมาะสม <c oughs> กม็มีส่วนที่เราสามารถทำได้แต่โดยหลักแล้วเราก็ทาทานศีลภาวนา คำถามจาก Facebook คุณนิยพันกับเรียนค่ะถ้าไม่สวดมนต์แผ่เมตตาจะได้ไหมคะได้ก็ถ้าสวดมนต์ถ้าไม่สวดมนต์ก็ไม่ได้สติไม่ได้ความสงบถ้าไม่แผ่เมตตาก็ไม่ได้แผ่อยู่แล้วการสวดบทแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการแผ่อยู่แล้วแ ต, แต่เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจเตือนใจว่าการแผ่เมตตามีอย่างไรบ้างเช่นไม่จองเวรกันเอเวลาโหนตุไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายกันด้วยทางกายทางวาจาทางใจให้ความสุขต่อกันและกันนี่คือสัญลักษณ์ของการให้ความเมตตาต่อกันถ้าเราไม่สวดไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้คำถามจากคุณเสาเรียนถามพระอาจารย์คู่หนุ่มสาวที่ผิดศีลข้อที่สามหากตายไปต้องไปปีนต้นนงี้วตามไตภูมิพระร่วง โดยชายบ้างหญิงบ้างจะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างคืออีกฝ่ายจะปีนต้นงิ้วหากหญิงชายคู่ที่ผิดศีลตายไปไม่พร้อมกันจะปีนต้นงิ้วพร้อมกันหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีห ร, หรือต่างคนต่างรับโทษไปโดยไม่ต้องรอต้นงิ้วนะไม่มีตายไปก็ไปเป็นเดลาารลฉานเท่านั้นนี่เกินนิสัยของเดลฉานเดลฉานเขาจะเสพกามกันโดยที่เขาไม่ไปสู่ขอกันไม่มีเจ้าของของใครของกัน ไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เรานี่จะเสพการกันเราต้องมีคู่ของเราแต่เดราัฉานนี่เวลาเขาเจอใครที่ไหนเมื่อไหรเขาก็เกิดอารมณ์เมื่อไรเขาก็เขาก็เอากันเมื่อนั้นนั้นมันเป็ น, ปนสัญดานของเดรัฉานนั้นเองไอ้ที่เขาวาดภาพเหล่านี้เพื่อให้คนทําจะได้กลัวว่ามันทุกข์มันทรมานคนที่ประพฤติประพฤติผิดประเวนี้มันเจอความทุกข์มากกว่าคนไม่ประพฤติผิดประเวณี แต่สมัยนี้พอไปปฏะพิษผิดไปไว้นี้ดีไม่ดีก็ไปติดเชื้อเอทมาติดเชื้อเอทนี่มันทุกยิงกว่าปีนต้นต้นยิ้วสกหรือถ้าไม่มีเชื้อเอทก็มีเชื้อโรคอย่างอื่นหรือว่าเดี๋ยวก็ไปทำให้สามีภรรยาของคนอื่นก็ามาโกรธแค้นโกรธเคืองเราได้ถูกเขาตามฆ่าก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือโทษที่จะตามมาแต่ถ้าไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน คำถามจากคุณสมเกียรติกับเรียนถามว่าอาจารย์ครับในกรณีที่ลูกเมายาฆ่าพ่อแม่เป็นกรรมเก่าของพ่อแม่ของเขากับตัวเขาไหมครับและลูกที่ทํากับพ่อแม่จะมีโอกาสเกิดเป็นคนอีกไหมครับมันก็เป็นได้อาจจะมีกรรมเก่ากันมาหรือทาให้ต้องมาฆ่ากันใหม่หรืออาจจะเป็นกรรมใหม่ของลูกที่ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ก็อาจจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้น คำถามจากทางไลน์ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์อยากสอบถามพระอาจารย์เรื่องการที่เราไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆที่ที่ยังมีธาตุขังอยู่โดยตั้งใจไปทําบุญอย่างเดียวไม่ได้ไปเที่ยวไปแวะเที่ยวแบบนี้ถือเป็นกิเลสหรือสมควรหรือไม่ค ะ, ะถ้าไปโดยตรงก็ไม่เป็นกิเลสแต่จะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อเวลาเราอยู่ในขั้นของการปฏิบัติ ถ้าเราอยู่ในขั้นไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเกิดความอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ไปไปฟังเทศฟังธรรมตอนนั้นก็เป็นกิเลสได้ถ้าไม่มีเหตุผลที่จะไปนอกจากว่าถ้าปฏิบัติแล้วเกิดติดขัดตรงไห น, นไม่เข้าใจตรงไห น, นต้องการให้ครูบาอาจารย์ช่วยแก้ไขก็ไปหาท่านนี้ไม่ผิดไม่เป็นกิเลสอยู่ที่ว่าบางทีเราปฏิบัติแล้วเบื่อถูกตักขังไว้อยู่ที่เดียวเบื่อ ก็เราอยากจะออกออกไปจากที่นั่นก็เลยหาเหตุวไปทําบุญดีกว่าไปกราบคู่บาจานดีกว่าถ้าอย่างนี้ก็เป็นกิเลสมันต้องดูเหตุผลของการกระทําของเราว่ามีเหตุมีผลไหมถ้ามีเหตุมีผลก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเป็นไปด้วยความอารมณ์ความอยากก็เป็นกิเลสคาถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่ลูกหนูเป็นเด็กขยันเรียนเรียนพิเศษมากแต่การที่หนูได้ฟังคําสอนของพระอาจารย์หนูเลยพยายามดึงลูกให้ไม่ต้องไปเรียนเยอะเอาเวลาพาลูกมาฟังธรรมพระอาจารย์บ่อยๆจนตอนนี้ลูกหนูเริ่มเรียนพิเศษน้อยลงและบอกว่าทุกอย่างก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ตายไปไม่รู้จะเป็นอะไรและเขาฟังธรรมพระอาจารย์เขาเอาหลายคําสอนไปบอกยายเช่นถวายข้าวพระพุทธก็ไม่มีประโยชน์ให้ยายปฏิบัติบูชาดีกว่า นูเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าหนูสอนรูปแบบนี้ผิดถูกอย่างไรคะการที่ดึงเขาออกจากการมุ่งมั่นในการเรียนมาฟังทำเยอะๆทั้งที่เมื่อก่อนหนูเคยสอนให้ขยันเรียนโตขึ้นจะได้ไม่ลําบากเหมือนแม่คะ่ะก็ให้เขาเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนทรัพย์ใหม่แทนที่จะหาโลกียทรัพย์ก็ให้มาหาอริยทรัพย์แทนเนี่ยอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ถาวรที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้แต่ถ้าเป็นโลกียทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ชั่วคราว พอร่างกายตายไปเราก็อะไรไปไม่ได้เลยยังไม่ผิดเราเป็นวิธีที่ถูกแล้วคำถามจากคุณบีนี่กรับเรียนถามพระอาจารย์ว่าอยากสอนให้น้องๆสนใจและปฏิบัติธรรมแต่น้องๆสนใจทางโลกมากกว่าอยากเรียนถามว่านอกจากทำเป็นตัวอย่างให้ดูควรทำอย่างไรคะก็มีโอกาสก็ชวนเข้าไปทากับเราถ้าก็ไปก็ไปก็ดีถ้าก็ไม่ไปก็ช่วยไม่ได้ คำถามจะคุณติ่งกับเรียนพระอาจารย์ครับการรักษาศีลจําเป็นไหมที่จะต้องไปอาราธนาศีลสมาทานศีลที่วัดกับพระสงฆ์หรือตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาเองได้เลยครับกับผมไม่จําเป็นหรอกถ้าเรารู้ว่าศีลมีอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องไปถามพระที่ไปที่ไปถามพระเพราะเราไม่รู้ว่าศีลมีอะไรใชนไหมถ้ามีแล้วเราก็กําหนดขึ้นมาเลยว่าวันนี้จะรักษากี่ข้อก็ว่าไป คำถามจากคุณพีโกนเรียนถามพระอาจารย์ตอนฟังพระอาจารย์พูดจิตก็รับรู้ณขณะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจิตก็รับรู้ธรรมะจากพระอาจารย์เพิ่มขึ้นถามว่าจิตที่รับรู้แต่และเวลาคือจิตดวงเดียวกันหรือไม่ก็ดวงเดียวกันการรับรู้ก็เป็นการรับรู้เรื่องนี้มันจะอยู่กับจิตหรือไม่ก็แล้วแต่ความจา อังทีเดี๋ยวมีไปรับรู้เรื่องอื่นเรื่องที่เรารับรู้ตอนนี้ก็ถูกกลบไปกลืนไปคำถามจากทาง Youtube คุณโอโยริกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากเราปฏิบัติลดกิเลสคือความอยากแต่ไปไปมามากลายเป็นความไม่อยากเห็นอะไรก็ไม่อยากไปซะหมดทำอย่างไรให้กลับมาสมดุลคะก็ต้องใช้เหตุผลไงจะอยากหรือไม่อยากต้องใช้เหตุผลถ้ามีเหตุผลต้องอยาก ต้องทำก็ทำถ้าไม่มีเหตุผลต้องทำก็ไม่ทำอย่าใช้อารมณ์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการที่เราดูคนแค่ภายนอกแล้วก็ไปปรามายตำหนิติเตียนผู้อื่นแล้วถ้าเขาผู้นั้นเป็นพระอริยะเบื้องต้นเขาจะบาปไหมครับพระอาจารย์เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าการบรรลุธรรมจะต้องมีอภินิหารมีตาทิพ์รู้วราระจิตผู้อื่นจะต้องทาตัวเรียบร้อย ผมจึงอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องกิริยาท่าทางภายนอกภายในของแต่ละคนครับเพราะผมฟังประวัติหลวงปู่เจียท่านก็ทำตัวผงผางแต่อาถรร์ในธรรมคนสมัยนี้ชอบธรรมะพเพาะเพาะใช่ไหมครับใช่ก่อนที่เราจะไปปรามาสค้าวเราต้องศึกษาเขาอย่างแองแท้ก่อนว่าเขาเป็นยังไงอย่าดูแต่เฉพาะเปลือกอย่างเดียวเพราะเปลือกมันอาจจะมีตำหนิเหมือนผลไม้บางทีเปลือกมันไม่สวย แต่ข้างในเนื้อมันอร่อยถ้าเราไม่ดูทั้งเปลือกทั้งเนื้อเราก็จะดีไม่ดีทานที่จะได้ของอร่อยกินไม่ได้กินเพราะเห็นว่ามันเปลือกไม่สวยก็เลยโยนทิ้งไป mm hmm. การักษาแบบเนี้ถ้าเราแปรปรามาดคนโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเราก็อาจจะโยนของดีทิ้งไปก็ได้เพราะถ้าเราปรามาดใครก็แสดงว่าเราไม่ศรัทธาเขาแล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเขา อย่างน้ก่อนที่เราจะไปปาไม้ขายดูให้มันแน่ดูทั้งข้างในดูทั้งข้างนอกดูให้รอบครอบก่อนถ้ารู้ว่ามันเน่าก็โยนทิ้งไปเลยทั้งทั้งข้างนอกทั้งข้างในแต่ถ้าเน่าข้างนอกแต่ข้างในดีนี่ก็ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะเราไม่กินข้างนอกเรากินข้างในคำถาม ส, สุดท้ายค่ะาคะาคะคถามสคุณตุลทนเรียนถามพระอาจารย์ครับ บางท่านสอนพุทโธบางท่านสอนยึบหนอพองหน่อแบบไหนดีกว่ากันครับได้ทั้งนั้นเน่ยแล้วแต่ว่าแต่ละคนเรียนมาอย่างไรถนัดแบบไหนเขาก็สอนแบบนั้นเหมือนเราคนอาจารย์คนหนึ่งถนัดมือขวาก็สอนให้เขียนมือขวาอาจารย์อีกคนถนัดมือซ้ายก็เขียนให้สอนให้เขียนมือซ้ายนี่นักลูกศิษย์อยู่ที่ว่าถนัดมือไหนถ้าลูกศิษย์ถนัดมือขวาก็ต้องไปเรียนจากอาจารย์ที่สอนมือขวาลูกศิษย์ถนัดมือซ้ายก็ไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนมือซ้ายก็เท่านั้นเอง ถ้าเราถนัดพุโทโธเราก็ไปเรียนกับพุโทโธถ้าเราถนัดยุบหนอะพองหนอะเราก็ไปเรียนกับยุบหนอะพองหนอได้ทั้งนั้นผลก็เหมือนกันเขียนหนังสือได้เหมือนกันคนมือซ้ายกับคนมือขวาเขียนหนังสือสวยได้เหมือนกันใช่ไหมเอาล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร